กับพวกเราทั้งนึ่งหรหลายคนก็ได้เงินปวนเงินทาวัดนะี่าในตุกตะั่ดยาหรือว่าเก็บเงินทงวัดที่บ้านพิษที่ของเรานะีก็เป็นการที่ทาให้เราได้เข้าเข้าใกล้พระรัตนตรัยนะในเข้าใกล้เขาพูดเขาทำเขาสงนะในแช่ตีแค่เข้าใกล้พรนะเข้าใจเข้าใกล้เขาพุทธนะ ล, ล, ล, ลูก หรือเข้าใกล้นั่นคือพมมักม้านั่นคือเปลืองลมเท่านัน้นนั้นเป็นเพียงแคนะ่เรียกว่ารูปแบบภายนอกนะการที่เราตัวเข้าใกล้หรือว่าใกล้ชิดครับเขาพูดพักผับผสมนะมันน้อมันน้อมอะไรมนน้อมทําแค่ใจเราเข้าใกล้เขาพูดพักผับผสมในตัวกายที่เข้าใกล้นะมันก็มีส่วนทำให้ใจเราเข้าใกล้กขนะกเข า, นะเ า, ขาพูดธักผับผสมมากขึ้น ใจเราถ้าเราเริ่มถึงความมีสติความรู้สึกตัวจิตใจเราเรียกว่าใกล้พุทธแล้วหรือจะเรียกว่าจิตใจเราเป็นพุทธก็ได้นะก็คือมีสภาวะที่เรียกว่าพุทโธก็คือรู้ตื่นแล้ก็บบนะรู้กาจิตใจที่มีพุทโธนะเป็นเครื่องอยู่มันก็เป็นจิตใจที่เรามีธรรมะนะ ธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยการเวลาธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยบุคคลส่วนตนเราเขาแต่ธรรมะคือความเป็นธรรมชาติเป็นความเป็นธรรมชาติของทุกสปปรรพชีวิตธรรมชาติที่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายธรรมชาติที่มีความผุพอดิจิตมันก็มีธรรมชาติอีหนึ่งที่เรียกว่า อ, อยู่เหนือความผุ จะเรียกว่าเป็นที่สุดของธรรมชาติก็ว่าไดนะ้ธรรมชาติโดยรวมนะหรือความเข้าใจเป็นทั่วไปมัเป็นคำที่พูดเมารวมเกินไปแต่ธรรมะจ่ว่าไปที่แท้ก็คือว่าเป็นที่สุดของธรรมชาติทุกอย่างเป็นการเหรเนือ ก, ก, การเกิดการแก่การเจ็บการตายแม้ร่างกายอาจจะมีการแก่เจ็บแล้วก็ตายแต่จิตใจมันจะอยู่เหนือสิ่ต่างตัวนะมันี่เห็น การแก่แก่ทุกวันแก่ทุกวินานนทีการเจ็บการมุกเพราะโรคภัยว่าเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของสัมคันร่างกายบ้างราหรือสุดท้ายการจะต้องตายแล้วก็เห็นว่าสัตว์แต่บ้างตายมันตายแต่จิตใจอยู่เหนืออยู่ทนความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้นแ่แหละคือธรรมะคือธรรมชาติของความเป็นจริงมีความไม่ทุกข์ ทีอ่อยู่เป็นธรรมชาตนะิไม่ใช่ว่าเราจะต้องทุ่งตลอดไปทุกงต้องตัดเจริญท่านตายไม่จําเป็นเช่นั้นแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราสำหรัศึกษาความทุ่งเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจเราพ้นจากความทุ่งเหนือจากความทุ่งที่ได้เช่นนี้นนะถ้าเราทําได้เช่นนี้นะเราจะเป็นพรนะสงฆ์ไม่จะต้องกระโปรงไม่จะไม่โกนผมนะ ไม่กะใส่ทำเกงแต่เราจะเป็นพระสงได้ที่จิตใจพระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากความคุ้มนี่คือความเป็นพระสงฆ์ทุกคนสามารถเป็พระสงฆ์ได้ที่จิตใจของเราเนี่แหละนี่แหละความหมายของการที่เรียกว่าเราเข้าใกล้พระธัตไตรใกล้เจอท่านเราถ้าแต่เป็นพระรัตนตรัยเองก็ว่าได้ก็คือจิตใจของเราเนี่ยเป็นพระรัตนตรั นะีสิ่งต่างๆเนะี่ยมัเกิดจากการที่เราต้องเรียกว่าความใจใส่ในการฝึกหัดจิตใจมันมีธรรมชาติของความเป็นผู้ท้าผู้รู้อยู่แต่อวิชชาคือความไม่รู้ความจริงมันก็มักจะมาครอบงำจิตนะให้มีกิเลสให้มีความเศหมองให้มีความยึดมั่นถือมั่นนะให้มีความทุกข์กาที่เรามีสติจะทําให้เรารู้ธรรสิ่งที่มาครอบงา จ, งจิตใจให้เศหมอ สิ่ที่มาค ร, ใใรความจิตใจ้ทุกเมื่อมนติรู้ทันความทุกข์มันก็ได้ยว่าก็ตกไปก็หายไปความรู้ไม่สามารถทนกับสติอยู่ผู้รู้ได้สิ่งที่เราคุณน่แหละแค่เพื่อให้เรารู้ตัวบ่อยๆการรู้โดยบ่อยจะทําให้เราออกจากความทุกข์ได้บ่อยอทําให้เรามีปัญญาในการดิ้นแต่สวา่างมีชีวิตเมือกับความมืดของความสวา่างข้างนออาจจะมืด จะเมื่อเปิดไปในห้องนี้ก็สว่างตะไวความมืดเแต่เป็นกลางวันหรือเป็นกลางคืนถ้ามีไฟแห่งดวงปัญญาของเราเนาะก็จะทําให้ชีวิตของเราสว่างตะไวสว่างอะไรนั่นไม่ใช่สว่างภายนอกบางคนอาจจะตาบอดมองไม่เห็นอบางที่อาจจะมีไฟฟ้าแต่เราจะสว่างที่ภายในจะมีความบริทุบเฉิดสายสว่างต่อไว ก็คือปัญญาปัญญาที่จะเห็นความจริงและต่วอว่าเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์รู้ว่าจะตจับทุกข์ได้อย่างไรไมันเห็นอันนี้แหละเห็นว่ากายใจมัเป็นทุกข์อย่างไรนะทุกข์เพราะความคิดมากถึงมั่นใช่ไหมทุกข์เพราะเราคิดว่าแขนนี้ของเราขาหนี้ของเราตาหนี้ของเราหูนี้ของเราทุกข์ว่ายึดทุกข์คอยคึดว่าร่างกายนี้เป็นของเรา อันนคือความคิดมั่นหรือมันม่นในกายในรูปนะอันนี้นะหรือว่าเราไปยึดในทิ้งคอทิ้งเนื่ อ, องด้วยเราอันนี้ก็อของเราอันนี้โทรศัพท์ของเราอันนี้เพื่อนของเราอันนี้แฟนของเราอันนี้พ่ออันนี้แม่อ น, นี้รูปของเราเมืออ่อใดคิดลบเราลงไปยึดเมื่อนะั้นก็จะมาซึ่ ง, งความทุกข์นะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะดำรงชีวิตโ ด, ดยไม่มีสิ่งต่างๆนะั้น ถ้ามันมีเหตุปัจจัยทีงเกี่ยวข้องก็ยังมีแต่มีอย่างไรทำให้มีแบบใจมีทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายนะเรามีได้มีโทรศัพท์มีรถมีอะไรต่างก็มีได้แต่เราจะมีอย่างไรโดยใจที่มีทุกข์นั่นก็คือมีโดยการที่เราดิสติรู้นพันในการใช้หรือในการเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องอย่างไรใช้อย่างไร จะไม่ตกเป็นาทาสจอิ่งต่างๆเหล่านั้นนะจะไม่ทําให้ความสัมพันธ์กลายเป็นความผูกพันเจอทัานครับตึงกันทําเราไม่เป็นอิสระจิตใจไม่เป็นอิสระคอยใจห่วงกังวลเป็นทุกข์แทนกันกันอันนี้แหละถ้าว่าจิตใจมันอยู่เหนือสิ่งต่างๆเหล่านั้นทำพันกันแต่ไม่ได้ทุกข์แทนกันบางทีคนรอบข้า ง, ขงเราก็มีปัญหาอันะนั้นเป็นปัญหาของเขา ไม่ใช่ปัญหาของเราแต่หน้าที่ของเราคือเกี่ยวข้องในาการช่วยเหลือแก้ไขแต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราคืไปทุกข์ใจแทนเขาไปกระวนไปกระวนใจแทนเขาไปกินไม่ได้มันไม่หลับกับเขาไม่ใช่ปัญหาของแต่ละคนก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่การเกี่ยวข้อง ค, คือการชี้แนวทางหรือว่าให้กำลังใจในการที่จะออกจากปัญหาให้ได้แต่ไม่ใช่ก็จะต้องไปทุกข์แทนกันนะ ไปแชร์ความทุกข์กันไม่ใช่พระเจ้าสอนให้เรารู้จักว่าอะไรคือทุกข์รู้ว่าจะออกจากความทุกข์ได้อย่างไรอันนี้แหละถ้าเรามีปัญญาเป็นเกี่ยวข้องกับสิาา่งต่างๆนะไม่เป็นคนเป็นสัตว์หรือว่าเป็นสิ่งของก็งเกี่ยวข้องได้เลยแกับที่มีทุกข์อันนี้แหละมันเป็นเรื่องความสําคัญแล้วก็เป็นความท้าทายนะในโลกใบ น, นี้นะโลกใบ น, นี้เราไม่สามารถหยิบนีดไปอยู่ในปานกตรงเดียวได้หรอกนะ เราต้องอยู่กับผู้คนอยู่กับสังคมไปดูว่าพวกเรามีหน้าที่การงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับผคน mm. ก็ถือว่า mm. ให้เอาหน้าที่การงานเอาสังคมของเราเนี่ยแหละเป็นที่ฝึกหัดจิตใจฝึกหัดให้มีธรรมะหรนะือว่าเอาตรงนี้แหละเป็นสนามทดสอบเป็นแบบทดสอบในการขัดเอาจิตใจของเราเลยนะตาเ ม, มื่อเห็นรู้รู้ทันไหมว่าตา็นรู้รู้ทันไหมว่ามันรู้สึ ก, กยอย่างไรชอบ ให้ชอบยึดแต่ภูมิตกต่ออีกหรือเปล่าให้รู้ทันนะหูไม่ดินเสียงหรือตาเห็นรูปแปลเป็นภาษาจิตใจเราต้สึกอย่างไรรู้ทันลงไปรู้ทันไ ป, รนไปเรารู้ทันที่กายรู้ทันที่ใจของตัวเองนี่แหละนะอย่าไปดูภายนอกดูคนอื่นก็เห็นแต่คนอื่นแตล้วเรากลับมาดูตัวเองนะจะเห็น เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งไม่ดีเป็นตัวของเราเองนี่แหละสิ่งดีก็พัฒนาให้มันยิ่งขึ้นไปใครที่มีสติแล้วมีความเป็นปกติของกาว่าจะก็รักษาสติของเราให้เรียกว่าให้มั่นคงไปเรื่อยๆใครที่มีสติแล้วมีสมาธิแล้วก็รักษาแล้วก็พัฒนายิ่งขึ้นไปใครที่พอมีปัญญาแล้วก็พัฒนายิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ ถ้ามีความไม่ดีเกิดขึ้นในใจนะรู้ทันมันไว้สลัดออกไปได้หรือเปล่านะให้เป็นธาตุมันได้หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นความพ้าทายของพวกเรามากทนะีเป็นสนามฝึกเป็นสนามฝึกที่เรียกว่าอนะจะทำให้พวกเราแก่งขึ้นเราจะอยู่กับโลคใบนี้อย่างผู้ที่ไม่ติดโลกนะอยู่กับโลคใบนี้เหมือนกับผู้ที่อยู่เหนือโลกเปรียบเหมือนกับ หนะยดน้ำบนใบบัวมันอาจจะสัมพันธ์กันเะหยดน้ำมันอยู่บนใบบัวแต่มันไม่ได้เปรียบใบบัวไม่ได้เปรียบก่อด น, นะ้ะมันอยู่คนละส่วนกันเราอยู่กับโลกนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างดีนะี่ให้เราพยายามฝึกสติเนาะเดวันนี้พวกเราจะได้ฝึกสติกันหลายคนก็ได้ฝึกอยู่แล้วในชีวประจําวันหลายคนก็ฝึกมาหลายปีแล้วไม่รู้ว่ามีคนใหม่ บ้างหรือเปล่านะแต่หลายคนก็เป็นคนเก่าเจอหน้ากันมาหลายปีหลายที่นะก็อยากว่าเราได้ตั้งแต่ฝึกหัดกันเนาะเวลาของเราดีไม่มากนะดีไม่มากแต่เราคิดว่าจะรอตอนแก่เราเข้าเราก็จะมาฝึกเราาจะเป็นการประมาทในชีวิตเนาะเอาตั้งแต่วันนี้ตอนนี้แหละนะวันนี้ให้ฝึกให้มันดีจะได้ไม่เกลียดใจว่าไม่น่าเลยครูบาอาจารย์มาแนะนําแล้วก็ไม่ตั้งใจถ้านอาจจะอากไป ถ้าเราไม่มีกุบายการก็ได้นะหรือบางทีเราอาจจะจากกุบายการจากโลกนี้ไปก่อนก็ได้ก็จะมาเสียใจว่าไม่ทันจะมีเวลาไ ด, ด้มาฝึกจิตใจของเราเองมันเป็นการประมาทในชีวิตมัอนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเคยก็เอาไว้ในบทปัะชิมโววาสถ้าบอกว่าพิสูจน์ทักษะที่จริงพิสูจแปลว่าผู้ที่เห็นภัยถ้าใครเป็นผู้ที่เห็นใยนี่ก็ตัดส่งสาร ในการเรียนไาวใจเดอ่าวัตถุสงสานที่อยู่ในพวงทะเล ข, ของความคุ้มอนั้นแหละคือพิสุพิสุพไม่ใช่เพียงแค่คนที่นุ่งเหลืองคลนหูคนคนหูนหเท่านั้นแต่พิสุพคือผู้ที่เห็นใครเห็นว่าการเกิดแก่เก็บตายเนี่ยมันเป็นการวนเวียนอยู่ใองพุ่งจะเกิดรุ้งไว้เกิดสวยเกิดรอเกิดมีขนาดไหน ม, มันก็ยังพุ่งอยู่นะ ท่านก็เลยว่าถ้าผู้ที่เห็นภายนี้ก็จะทําให้พยา ย, ม า, ย, ยามริบดินคนไขยกกำลังจิตใจให้ถึงมีความไม่เกิดไห้ได้นะฮะท่านเรียกว่ามีความดับเชื้อเหตุการเกิดไห้ได้นั่นคะือผู้ที่เห็นภายจะบอกว่าที่สุดทำลายพวกเธอทำลายจงทําความให้ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความให่ประมาทก็คือว่าจะประมาทว่าตอนนี้เรายังหนุนอยู่ ประมาณว่าตอนนี้เราสิงเต่อยู่ประมาณว่าตอนนี้เรายังสบายดีอยู่ให้เป็นโลกเป็นภัยนะประมาณว่าตอนนี้เรายังไม่ใกล้จะตายนะอย่าประมาทหรือแม้แต่จะประมาทว่าตอนนี้เรายังสุ่สบายไม่ทุกข้อนใจอะไรสักเท่าไหร่นะอย่าประมาทเรื่องต่างตนี้จงเป็นผู้ที่ผลฝนายฝุ่นะกายจิกใจถ้าเงินข้อถือความไม่ทุกข์ได้ในเร็ววันนะจะเป็นผลที่ดีมาก เนี่ยท่านก็นเือดเราอย่างได้เป็นผู้ที่ประมาณแต่ได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายห ล, ลยังเรื่อยๆทให้จบกิจกอดที่งจบเร็วเท่าไร่ยิ่งสบายมากขึ้นเท่านั้นเหนะมือนกับเรามีรายงานมีการบ้านทําเสร็จเร็วเท่าไหรก็มีเวลาพักในเวลาสบายเวลาที่เหลือก็เป็นกำไรของชีวิตเทีานั้นแต่ถ้าพเราฝัดวันปรักทุ่ง ด, ด, ด, ดินฟอกหาหงส์มัก็ยิ่งจะมีทุ่งซ้อนทุ่ไปเรื่อยๆ ทำกันนี้ก็เป็นเปร็จดีถ้ามีใครอย่างอื่นใหม่ก็มาซ้อนอีกทุกนี้ยังไม่ทันจะคลายก็มีทุกใหม่ก็มาซ้อนมาซ้อนหซ้อนนะเรียกว่าเป็นดินพ่อหางหมูคุมซ้อนคุกซ้อนทุกซ้อนไปเรื่อยเรื่อยแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่คนขายทําคิตไม่เป็นจบนะชีวิตที่เหลือก็จะได้สบายนะแต่ไม่ได้สบายเพราะเหนือนเลชายแต่สบายแบบผู้ที่เรียกว่าไม่มีจิตหยุดใต้องทําแล้วนะ มีจิตที่ทำโดยสมุดจิตภายในสม ก, กิตแล้วเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราสามสารถฝึกหัดแล้วก็สามารถทาได้นะก็มาเป็นเพื่อนเป็นมิตรพวกเราในการฝึกหัดจิตใจน ะ, นะก็มีพระอาจารย์ตุ้ประมาทิพย์ธมมาก่อ น, นก็จะได้ให้ท่านได้แนะนำคำบรรทัดทำพร้อมกันก็ได้สำหรับตูเก่าจะได้มีตูะะขข้ใหม่ด้ยหรือเปล่าได้ตูกหั พ้อมชันน้ก็แต่นี่หมจานร์กุ้งชันในแน่น้ำธรรานในรูปแบของคอมพเตรเี่ยวไปไหมบุกล เราหันเลยนตรงนี isé, ir, qui, plus, violence, a a ้นี่คือสิ่งที่นะตอนนี้เราจะมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าที่จะตื่นขันคล่องๆมีกายมีใจมีสติครบที่อยู่สามอย่างตรงนี้เราก็เริ่มหันกันได้ทันทีตรงนี้หลวงพ่อเทียนก็จะบอกว่าให้เราอาศาย การเคลื่อนไหวของร่าง ก, กานยนเป็นการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นของการที่เราจะหัดให้เราเคยชินกับการมีสตินะในการปลับมาที่จะมารู้สึกที่กายเราแล้วก็มารู้สึกที่ใจเราตรงนี้เนาะนก็คือเราจะเริ่มต้นกันเลยนวัตเทียนจะแนะนำเขาเรียกว่า14จังหวะเนะ ที่เป็นก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานของการที่เราจะได้เจริญสติบนความเคลื่อนไหวสิบสีจ่จังหตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มจาที่เราเอามือนะวางไว้ที่ขาทั้งสองข้างมือวางไว้ที่ขานั่งสองข้างเราลองดูนหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยรู้สึกได้ไหมว่ามืออยู่ที่ขา รู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้น้อยนึ่ต้องถามใครไหมว่าตะลิบเรืออยู่ที่ไหนต้องถามเป็นต้องเลยรู้ได้เลยตรงนี้เ้าเรียกว่าเราเนี่ยสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองครนะไม่ต้องถามอะไอเ้ยเราลอแตะแขกมหนือฟ้าเพิ่ขึ้น รู้ไหมว่าตอนนี้มือขวาเรากำลังกระแทกอยู่ดู้เนาะเอายกขึ้นโู้ไหมว่าตอนนี้กาลังยกอยู่นะนี่ตรงนี้เขาเรียกว่านี่คือความรู้สึกรู้สึกที่กายรู้สึกได้ว่ามีความเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกได้ว่าตอนนี้แล้วมือเรากาลังอยู่ตรงไหนมีตรงนี้เราตามความรู้สึกตรงนี้กับเราเลยเอามือมาวางไว้ที่ท้องมือขวา คลิกมือซ้ายแต่แชางขึ้นยกมือซ้ายขึ้นเอามาทับหือขวอเลื่นมือขวาขึ้นยกออกข้างๆมาบนเข่าความม่ำลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นยกออกข้างๆมาบนเข่าความม่ำลงตรงเนี้เรารู้นะรู้ทุกครั้มีการเคลื่อน ลูกพางมีการเคลื่อนทุกครางตรงนี้เนี่ยทั้งหมดจะจะอยู่สิบสี่จังหวะสิบสี่จังหวะของการเคลื่อนสิบสี่จําหวะของการหยุดนั่นก็คือตรงนี้เราหันกลับเอาเริ่มต้นกันใหม่บางคนไม่ทิ้งเท้าพร้อมในท่าเดี่ยวพร้อมก็คือความตัดใช้ขึ้นยกขึ้นเอามาไว้ทิ้ท้า ดิ้ือซ้ายจะแข็งขึ้นยกขึ้นมาทับมือขวาเลื่มมือานขึ้นยกออกข้างๆวางบนขามความหลงเลื่มมือซ้ายขึ้นยกออกข้างๆวางบนขามความหลงดิ้กือขวาจะแข็งขึ้นยกขึ้นวางบนขามดิ้กือซ้ายกระแข็ขึ้นยกขึ้น วาไว้ที่พอเลื่นมือขวาขึ้นย่อบอกข้างๆามข่าวความลเลื่อนมือซ้ายขึ้นย่อออกข้างๆามข่าความลเราจะเห็นความเป็นจังหวะเป็นจังหวะลอาทำดนแล้วลอาทำดูทำตามป้จัโน้นก็ได้แล้วลองดูที่ปายจัดโน้นก็ได้ลองด เรา tha, เริ่มต้นกับที่ท่าเริ่มต้นกับที่ท่าแล้วก็เมือ่อเราจับท่าได้แล้วก็เติมความรู้สึกตัวเข้าไปด้วยตอนนี้ใจเราอาจจะกังวลอยู่กับการที่ทำท่าถูกหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเราทำทำอะไรใหม่ๆอาจจะยุ่ยากนิดหน่อยอาจจะจำไม่ได้บ้างแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีเพียงแค่สิบสีท่าไม่ยาก เพราะฉะนั้นคือตรงนี้ตั้งใจเราตั้งใจดูเนาะลดับดูจากการที่เราเลี้ยกลูกจะแข็งขึ้นยกขึ้นเอามาไปที่ท้องเริม ต, ต้นที่บุขวาบือซ้ายแล้วบุกกลันเันั้นยืนตรงนี้นนะจะเป็นท่าที่ไม่ยากพอมาถึงที่ท้องก็ค่อยๆเดินทางกลับด้วยกันเลื่อนมือขาขึ้นแล้วอมือาออกเข้า มือซ้ายก็ทำตามกันนั่นก็คือตรเนี้นะท่าตรงเนี้จะไม่ยังแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องเติมความรู้สึกตัวเข้าไปกับการเคลื่อนนะการเคลื่อนในจุด ต, าตา่างๆการเคลื่อนในจุดตา่ตางๆตรงนี้นะทําความรู้สึกตัวไปด้วยบางครันะ้งในการเคลื่อนไหวของเรา อาจจะเป็นการกินข้าวอาจจะเป็นการอาบน้ำตรงนั้นเเราจะทำตามความเพื่อนเธอเราอาจจะลืมเนาะลืมที่จะรู้สึกกับการกินอาจจะลืมที่จะรู้สึกกับการอาบน้ำแต่ว่าอาจจะไปชอบเอาจจะไปไม่ชอบอาหารที่กินอยู่หรือว่าอาจจะรู้สึกหนาวไม่อยากอาน้ำหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าน้ำ อาจจะมีความรู้สึกอาจจะมีความคิดหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรากําลังหัดที่จะมารู้สึกและเราจะสังเกตว่าในขณะที่เรารู้สึกรู้สึกกับการเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เป็นยุ่งกับความคิดที่อยู่ในหัวเราเราลองสังเกตดูเรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวขณะขณะที่เรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวสิ่งทีจะมาตรงนี้เนี่ยความคิดจะไม่ค่อเกิดขึ้น หรือว่าความคิดเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะกลับมาอยู่กับความเคลื่อนไหตวตรงนี้ได้รู้สึก โดยที่เราอาจจะลืมตามองสิ่งรอบๆข้างเราอยากก่างปกติลองหันลองหันดูการหลับตาก็จะรู้สึกดีขึ้นก็จริงแต่จริงๆแล้วลืมตามก็รู้สึกได้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราหาันในระหว่างที่เรากำลังเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดตรงนี้เนี่ยลืมตามไปด้วยเนยจะเป็นการที่เราสามารถที่จะ หนวยเราการเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยกับการทํางานประจําวันของเรานะง่ายขึ้นนั่นคือตรงนี้ใครพวกเราเนี่ยเราลืมตาดันลืมตากันแล้วก็รับรู้การเคลื่อนไหวตรงนี้ซึ่งจริงจริงเราก็รู้เป็นอยู่เนอะรู้เป็นอยู่เพียงแต่ว่าบางครั้งถ้าเราไปคิดเนะาเราไปคิดความรู้สึกตัวก็จะหายไปเพราะฉะนั้นนั่นคือถ้าเกิดว่า รู Nova, mm ้ว hmm. mm ่าเต๋อไปคิดนะก็กลับมาอีกครั้งนึ่งให้เราลองลองรู้สึก รู้สึกกับการเคลื่อนไหวรู้สึกกับการเคลื่อนไหวตรงนี้เป็นสิ่งที่จ่ายเราก็เรียกว่า<ม>จะเอาใจมารับรู้การเคลื่อนไหวของน่ากายมีการเคลื่อนไหวมีใจมาคอยรับรู้เหมือนใจมาคอยรับรู้ตรงนี้เนี่ยก็จะไม่คิด เราใจก็จะไม่ไปอยู่กับความที่นั่นดนั้นคือตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราเลือกว่าที่เรากำลังท้าด้วยเองออกจากทุกในขณะที่เรารู้สึกตัวเราก็อยู่กับความไม่ประมาณ ไปคิดตรงนี้เนี่ยเราก็จะยก ม, มือไปเฉยเฉยอยู่ตรงที่รู้สึกตัวตรงนี้หมายควมามว่านั่นคือเรากําลังหลงไปคิดอยู่แล้วก็ตรงนั้นนะหลงตรงนั้นหมายถึงว่าเรากําลังประมาทกาลงังประมาณทนั่นคือตรงนี้เราเพียนเพีย น, นที่จะรู้สึกตัวเพียนที่จะรู้สึกตัว สนใจไอยู speed, ่ที่มป่ที่แสไม่ต้องสนใจไปอยู่กระโปรกับภาาใจอย่ตัาใจหาใาที่ต้งแค่รู้ใจรู้การเคื่อนไหวการประสัการอยู่ของายเคื่อนความัค่นก็รู้ทางลมสัตว์ตองรู้เดือก็รู้ จะพิลูกค่ะ ร้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวในท่านั่งเดี๋ยวเราลองลุกขึ้นแล้วก็รู้สึกกับการเคลื่อนไหวในท่าเดินเรีาเดินจกองงนี้เราค่อยๆหลับทียาบดเป็นนั่งทุเขากูเขาชนขา่้น ก็อยากตูดขึ้ น, น, นเป็นหลำตาเป็นลำตัตรงเนี้ยนก็การเคลื่อนเป็นลัำตับเป็นลำตบตรงเนี้ยก็ะจะทําให้เรารู้สึกนะกับอุิยาบทที่เราเปลี่ยนไปการเตื่อนเป็นการเคลื่อนในการเคลือนอหนึ่งนี่อยู่นะเราลองเดินย้อ น, น, นทากับที่ เดินย่างทานี่แกเราอาจจะรู้สึกกับการที่ท้ากระทืบรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ไหมได้นะมีจังหวะมีจังหวะ มีจ mm ังหวะโยกมีจ uh, mm ังหวดเหลี mm ่ยมมีจังหวะโยกมีจ hmm. ังหวัดเหดี่ยมตรงนี้ก็เหมือนกับการเดินอยู่กัที่รู้สึกตัวได้เดินอยู่กนที่หรือจะเดินเื่อนเป็นปกติก็รู้สึกตัวได้เหมือนกันตรงนี้ก็มีการที่เคลื่อนไหวมีใจมาคอยรับรู้ ถ้าปกติเราเดินไปคุยไปใจก็ไปอยู่กับการคุยไม่ได้หมานู้สึกกับการเดินนั่นก็คือตรงนี้เนาะ่าเราตั้งใจที่จะเอาใจมาไว้กับการเดินนี่ตรงนี้จะเรียกว่าการเดินจงกรมเราเดินก้าวเท้ามาข้างหน้าก้าวเดิน ก็หลับไปข้างหลังก้ามนึ่งกามข้าหน้าก้ามหนึ่งหลับไปข้างหนังก้านึงเรารู้สึกรู้สึก เราเดินหนาก้านึเเดินไปข้างหลังสองก้นึ่งนึ่ก้นึ่งจะคนเสีองดีแล้วก็สังหันคือสายหันนี่เดานเดินเดิน เดี๋ยวก็จะโนดก็จะพาเดินะไปทางด้านประตูเดี๋ยวจะมาก็จะพาเดินกลับตั้งตั้งใจอ่าอาตัวบอกนดึงต้องเร่งต้ เดินเป็นธรรมดาเินเป็นธรรมดาเป็นปกติไม่ต้องช้าเสริลใหเป็นปกติเป็นธรรมดาขอเราเพื่อที่ว่าจะได้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันไดลองดูนะครับ